ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาลูกหลานที่รักวันนี้มีโอกาสมาพบ ก, กันอีกในเรื่องของพระเจ้าในมีราชปรมกขัตย์ใวันก่อนที่ท่านนักโพธิเป็นบรหิตท่านรักษาสัตจสัญญาสัจจะสัญญานะ เพื่อสัญญาที่ให้ไว้กับพระราชาว่าบทแล้วต้องมาโปรดกันบ้างท่านก็พยายามทำตนให้ได้อภิญาสมาบัิเพาะเหินดนนากาศได้นิรมิตได้มีตาทิพรู้การล่วงหน้าได้เมื่อรู้นึกถึงสัญญาแล้วก็มาในเมืองพาราณสีออกเที่ยววิน้ำบาทไปถึงประตูพระราชวางัง ฝ่ายพระเจ้าพารานสีได้ทอดพระเนตรเห็นนักพรตบุริษิก็ทรงจำได้จึงได้นิมนต์ให้เข้าไปในพระราชวางังทรงถวายอาหารแก่นักพรตบุริษิก็มีพระดารัสตรามว่าพระผู้เป็นเจ้าอยู่ที่ไหนขอรับ นักโรตที่เป็นบริหิตก็กลับทุนว่าอาตมาอยู่บนฝั่งแม่น้ําสีทาซึ่งอยู่ในระหว่างภูเขาทองทั้งคู่หมายความว่ามีภูเขาทองอยู่สองลูกเป็นทองล้นลวนราชาผู้เป็นพระเจ้าอยู่อะไรนะพระท้าวยผ่ราชาจึงตัดถามว่าพราะผู้เป็นเจ้าอยู่รูปเดียวหรือว่าหลายรูป ท่านนักพรตกินเอกกล่าวว่าอาตมาอยู่ด้วยกันจํานวนหมืน่นแม้อยู่เยอะนับเป็นหมื่นหมื่นรูปท่านทั้งหลายเหล่านั้นต่างรุ่นแล้วแต่สาเร็จอภิญญาสมาบัติทางนั้นราชาได้สดัตย์ดังนั้นก็ น, นึกเลื่อมใสใครจะได้ถวายอาหารหรือเป็นด âm บ่ายแก่นักพรตเป็นหมื่นหมื่นรูป ยังได้แต่กันนักพรตบรหิตว่าข้าพเจ้าใครจะถวายวอาหารกัมรัดานักพรตทั้งหลายเหล่านั้นขอให้พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้นำนักพรตทั้งหลายเหล่านั้นมาฉันพระตาหารในพระราชวังสําหรับท่านนักพรตผู้เป็นบรหิตที่ได้กราบทูลพระราชายทรงทราบ ว่านักพรตทั้งหลายเหล่านั้นท่านไม่ยินดีในรสของอาหารอาตมาไม่สามารถไม่อาจจะนำท่านมาที่นี่ได้ในหมายความว่านักบวชนะลูกหลานที่รักคำว่านักพรตก็คือนักบวชอย่างพระเป็นต้นเขาไม่ติดในรสอาหารรสอาหารจะดีหรือไม่ดีเป็นบริการใดไม่สําคัญเขากินเพื่ อ, อยางชีวิตให้ทรงอยู่เท่านั้น ไม่ใช่นเลือกไปกินอาหารนอกบ้านไปตามพัตตาคารอยาจะกินโน่นอยากจะกิน น, น, น, นี่ถ้าลูกหลานเห็นพระอยากกินโนอนอยากกินนีน่มีอ้นี่อยากจะกินนั่นอยากมีอย่างนั้นอยากกินใหญ่ ก, กินอย่างโน น, นถ้าไปเจอพระอย่างนี้เข้าละลูกหลานอย่าไหว้นะ <c oughs> พระอย่างนั้นไม่ใช่พระเป็นโจรปล้นความดีของพระพุทธศาสนาเป็นผู้ทําลายศา ส, สนาเป็นการไม่สมควร เล่าเรื่องของท่านต่อไปพระราชาจึงตรัสว่าข้าพเจ้ามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะถวายอาหารกรบับรรดา น, นักพรตทั้งหลายเหล่านั้นก็ผมขอมอบให้พระผู้เป็นเจ้าคิดหาว บ, บายที่จะจัดอาหารถาวายกันักพรตทั้งหลายเหล่านั้นให้โดยเถิดรับคงคิดไม่ออกว่าที่นั่นก็อยู่ไกล ทำยังไงเนี่ยครับที่ผมจะได้มีโอกาสทําบุญกับนักพรตผู้ทรงความดีอย่างนี้ได้ซึ่งเป็นของหายากอย่างยิ่งท่านนักพรตจึงเป็นบวยโปร โ, โลหิตเก่าที่นิยทูลว่าถ้าพระองค์ทรงประสงค์จะบริจาคทายาทานคือต้องการจะถวายทานแกบรรดา น, นักพรตทั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็ถ้าทําอย่างนี้จะได้ ขอเชิญพระองค์สเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระนครแล้วให้ค้างแรมให้ไปนอนค้างแรมคือไปพักอยู่ที่บนฝั่งแม่น้ำชีธาและก็จะได้ทรงโอกาสก็จะได้มีโอกาสถวายทานแกนัพกพรตทั้งหลายเหล่านั้นมาเนืงว่าต้องไปถึงที่อยู่ไม่ใช่อยู่ๆก็จะเรียกมากินข้าวที่บ้าน เพราะว่าบรรดานักพนตผู้ทรงปัญญาเนี่ยเขาไม่เมาในรสอาหารเขาไม่เมาในลาบในยศในทันเสริสุขใครจะมีตำแหน่งเป็นอะไรก็ช่างเขาถือเอาความดีเป็นสำคัญเล่าเรื่องของท่านต่อไปพระราชาไม่ได้สะดับดังนั้นก็รับคำรับรองว่าจะทำตามนั้น ยิงได้ทรงโปรดให้เตรียมเครื่องทานทั้งหลายถวายทานให้เพียงพอคือ น, นั่งดูว่านักล็อกนักนักพจีิมื่นเราจะถวายทานนักพจน์เป็นหมื่นหมื่นลูปจะจ่าของเท่าไหร่เมื่อจ่าของเสร็จแล้วก็จึงได้เสด็จออกจากนครเมืองพาราณสีพร้อมไปด้วยจาตุรงกษณ์จ่าตุรงกษณ์นา คำว่าจ่ตรรงเกษตนาในมันที่เสนาสี่เหลา่าคือทหารกองทัพเดินเท้า ห, ทาหนึ่งกองทัพม้าหนึ่งกองทัพช้างหนึ่งกองทัพรถหนึ่งนี่เป็นกองทัพสี่ทัพเครียกจตรรงเกษนายกขบวนไปเป็นการใหญ่เพื่อจําเป็นต้องไปมากก็าการเลี้ยงพระเป็นเหมือนเหมือนโรคนี้งานมันหนัก ไปกันเต็มที่ไปถึงชายแดนเมื่อไปถึงชายแดนแล้วท่านโรหิตนักพรตบรหิตจึงกราบทูลให้พระราชาสเสด็จเรียบไปตามฝั่งแม่น้ำสีทานแล้วให้ตั้งค่ายอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสีทานแล้วก็ทูลเตือนพระราชาว่าขอพระองค์จงยาได้ประมาทแล้วก็ทรงแล้วท่านก็เหาะไปสู่สํานักของตน ยังไปไกลต้องหอกไปตอนนั้นไปไม่ถึงพระราชาพากอยู่ตรงนั้นวันรุ่งขึ้นนักพรตผู้บนบริหิตกลับมาเฝ้าพระราชประราชได้จัดอาหารถวายแล้วยึงกล่าวว่าวันพรุ่งนี้ขอพระผู้เป็นเจ้าพานักพรตจำนวนหมื่นหมื่นลูกมาฉันที่นี้เถิดจงข้า นักพศผู้เป็นบริหิตรับตำหัดจ้าพระราชาแล้วก็กลับไปรุ่งขึ้นจึงได้แจ้งแกบ่บรรดานักพศทั้งหลายเหล่านั้นว่าพระราชาแห่งเมืองพารานาสีทรงมีพระราชประสงค์จะถวายทานแด่พระคุณเจ้าทั้งหลายและก็เวลานี้พระองค์ก็ได้เสด็จมาประทับอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำศรีธานี่พระองค์ขอยเข้าไปเจ้า นิมนต์พระคุณเจ้าทั้งหลายขอพระคุณเจ้าทั้งหลายจงโรดประทานสงเคราะห์รับทายทานกับพระราชาเพื่อเป็นการอนุเคราะห์ศรัทธาและสนองศรัทธาพระองค์เถิดขอรัรรบท่านนักพรตทั้งหมดก็รับคําที่รับคํานี่ยไม่ดะดีใจไว่าจะกินของอร่อยเท่านี้ก็เพื่อเป็นการเจริญศรัทธาก็เห็นว่าพระราชาเป็นคนดี จะได้ตั้งใจว่าเมื่อท่านดีเราก็จะส่งเคราะห์ความดีของท่านเมื่อรับคำแล้วก็หอะมาใกล้ไข่ที่ประทับแม่น่าคิดนะลูกหลานที่รักนี่แหละคนที่เขาได้พิญญาสมาบัติเขาเรียกพิญญาใหญ่เขาหาะได้แบบนี้ดำดิ่งก็ได้เดินในน้ำก็ได้ลงไปในน้ำให้เปียกตัวก็ได้แสดงฤทธิ์ได้ทุกอย่างน่าทำนะจ๊ะ เวลานี้เด็กๆ เ, เขาทำอภินญญาเล็กคือสามารถถอดกายภายในที่เรียกว่าถอดจิตไปท่องเทียบพบต่างๆกันได้เยอะแล้วแล้ ว, ลวก็ยังมีคนละเมอเพ้อฝันว่าสิ่งนี้เป็นของไม่จริงนี่จะไปเชื่อเคานันลูกหลานที่รักของจริงมันมีอยู่อะไรที่เา็าเล่าสู่เราฟังแต่หากว่าเรายังไม่เห็นแน่นอนก็อย่าเพิ่งเชื่อแล้วก็อย่าเพิ่งปฏิเสธ ทำตามที่เขาแนะนำว่าเขาบอกว่าทำอย่างนี้ได้ผลอย่างนี้ทำตามแนะนำเหมือนเหมือนกับบรรดาลูกหลานที่รักอยู่กับบิดามันดาและอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านแนะนำว่าสิ่งนี้ทำอย่างนี้สิ่งนี้ทํานอย่างนี้แล้วมันจะมีผลเป็นอย่างนั้นขอลูกหลานจงอจย่าไขคำสั่งของท่าน พยายามทําให้ได้มันจะลําบากยากแค่ยังก็ตามพยายามตามคิดว่าคนอื่นเขาก็มีสิทธิ์มีมือละห้านิ้วเหมือนกับเหมือนเราเราก็มีรูปร่างเหมือนเขาในเมื่อเราเป็นคนเขามีความสามารถแบบไหนเราก็ต้องมีความสามารถแบบนั้นจงทําใจว่าขึ้นที่ว่าความไม่สามารถว่าไม่สามารถจะไม่มีในชีวิตของเราในชาตินี้ ถ้าลูกหลานที่รักทุกคนสามารถทำอย่างนี้ได้งานทุกอย่างสาเร็จหมดแม้ว่าจะเหาะเหิรนในการอย่างนักพรตก็สามารถทำได้เป็นนั้นว่านักพร์ทั้งหลายเรานั้นรับคำแล้วก็ต่างคนต่างก็เหาะมาประทับที่ค่ายของพระราชาพระราชาก็ทรงดีใจอมปราโมดนะ ปราโมทมันก็ดีใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นบรรดานักพรตทั้งหลายเหล่านั้นมาพร้อมเพียงกันจิงได้เสด็จไปต้อนรับถาวายมาสรสการแล้วก็รัธนาให้เข้าไปในค่ายหลวงค่ายหลวงหมายถึงว่าะธรทมที่พักใหญ่ๆเป็นที่ประทรับของพระราชาเพราะารู้แล้วว่าจะต้องรับนักพรตเป็นหมืนม่นคนเขาพระองค์ที่เสด็จไปก็เป็นหมื่นไม่กัน นั่นจึงทำโรงใหญ่ๆ ใ, ให้คนหลายล้านหมื่นพักกันสบายให้นักเพาาื่เข้าไปในค่ายหลวงนักพื่อนั่งบนอาสนะที่จัดไว้จึงได้ทรงถวายอาหารด้วยปลาณนีด่ด้วยพระองค์เองทรงเลื่อมใสในาฎยาบิกขวัญดานักพื่อทั้งหลายเหล่านั้นวันลุกขึ้นก็ทรงจัดถวายอีกเป็นนั้นว่าหมความปลื้มปีติโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เห็นพระเหาะได้ได้เห็นคนเหาะได้ก็ถือว่ามันเป็นกรณีพิเศษนั่นเป็นการญาติหละเกินที่เราได้พบได้เห็นเชนั้นเมื่อถวายทานในวันแรกก็ยังไม่พอใจยังปลื้มใจถวายต่อไปเป็นนั้นว่าทันทาสกา่าเทวราชคืออินตรัสเล่าเรื่องถวายจบแล้ว ยังได้กราบทูลกับพระเจ้าในมิราชว่าพระเจ้ากรุงพารานสีในครั้งนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นเลยคือหม่อมฉันนี่เองหม่อมฉันที้ไหว้ทานใหญ่ยิ่งใหญ่เพียงนั้นก็ยังไม่สามารถไปเกิดเป็นพรหมได้ก็เกิดแค่เกิดเป็นเทวดาเท่านั้นส่วนบรรดานักพตที่รับบริจาคทานจากหม่อมฉัน ทุกท่านตายจากความเป็นคนแล้วก็ไปเกิดในพรมลโลกทั้งสิ้นที่ม่อมฉันทูลพระองค์มาเพียงนี้ก็เป็นการเพียงพอแล้วดีอย่างว่าการให้ทานกับพรมจันนมีผลต่างกันคือการประพฤติพรมจันทร์ประเสริฐกว่าทานหมายความการประพฤติพมจันทร์มีผลดีกว่าทานด้วประเสริฐกว่าการให้ทานแน่ แต่ว่าทุกอย่าง่าทิ้งทานไม่ได้แล้วก็เสริมไทยว่าข้าแต่พระเจ้าในมีราชถึงแม้ว่าพรหมจันทร์จะประเสริฐกว่าทานแต่ก็ยังแต่ก็อย่าได้ทรงประมาทเลยไมายความอย่าได้ทรงประมาทอย่าละเลยในการให้ทานนี่จำให้ดีนะ ว่าถึงแม้ว่าเราจะประพฤติพรรมจรรย์ก็จงยาละเลยในการให้ทานเพราะทำดังสองประการนี้เป็นของคู่กันคือการบริจาคทานการรักษาศีลสองอย่างนี้ต้องทำคู่กันไปเมื่อตัดแล้วก็สเสด็จกลับเทวสถานนี่แต่ถ้าอยจะพูดกันไปอย่างง่ายๆในลูกหลานที่รักก็เหมือนกันนักที่รักษาศีลทั้งหลายคื อ, อย่างพระ พระรนเนนที่บวดเข้ามาในพระพุทธศาสนานะถ้าเธอถ้าศีลอย่างเดียวไม่มีทานด้วยก็ช่วยตัวเองไม่ได้ขาดเมตตาบารมีฉะนั้นองค์สมเด็จพระจินสีคือพระพุทธเจ้าจึงแนะนําพระสงฆ์ว่าจงบริจาคทานด้วยการบริจาคทานของพระพระไม่มีวัตถุแต่ว่าถ้าจะบ้านก็ถาถวายวัตถุอย่างเงินทองของใช้เป็นต้น ก็ามาช่วยกันในส่วนสาธารณประโยชน์อันนี้ทำได้ถ้าไม่มีวัตถุ ก, ก็ให้ทำเป็นฐานคือแนะนำว่าคนทุกคนควรจะรักกันควรจะเกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นต้นเอาเรื่องนี้ขอเล่าเรื่องของท่านต่อไปดีกว่านะจ๊ะลูกหลานจะได้ฟังไม่งั้นหลวงปู่ค่อยไขคอเรื่อย เป็นนั้นว่าเทวเทพเจ้าทั้ททงหลายแล้วนั้นเมื่อทราบว่าเ ท, ท้าสกัดเทวราชเมื่อพระอินทร์กลับไปวิมายนเขานั้นแล้วนะมันดาเทวดาที่เป็นโลกศิษย์ของพระเจ้าเนมีราชให้ทราบว่าพระอินทร์ไปแก้ปัญหาแก่พระเจ้าเนมีราชอาจารย์คนตนกลับมาโ ท, โทูสูเทวสถานคําว่าเทวสถานคือที่อยู่ของเทวดา ยิงได้พากันเข้าไปเฝ้าพระอินทร์แล้วกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพระเจ้าในมีราชบรมกษัตริย์เป็นอาจารย์ของพวกข้าพระบาทคณะข้าพระบาททั้งหลายมั่นใจอยู่ในบางโอกาสของพระองค์จึงทรงได้รับที่ประสมบัติถึ่ป่านนี้นี่เย่างนี้อาลุล้าจะไม่เข้าใจนะ ว่าพระเจ้าเนมีราชน่ยเป็นอาจารย์ของข้าพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายเหล่านั้นมั่นอยู่ในความดีคือมั่นอยู่ในโอวาชคือคําตั้งใจมั่นอยู่ในโอวาชคือเชื่อฟังคําสั่งสอนของพระเจ้าเนมีราชประมกษัตริย์ให้รู้จักการให้ทานรู้จักการรักษาอโมโสดคนทุกค น, กคนกสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน คนทุกคนไม่ทะเลาะวิวาสสิ่งอะไรกั น, ยกนอย่างนี้เขาเรียกว่าคนดีนะคนประเภทยุให้รำตั้มให้รั่วยุทางโ น, น้นแย่ทางนี้คนเขาอยู่ดีๆอย่าใช้ให้เป็นขี้ข้าคนทั้งชาติให้คนที่ทั้งชาติเป็นท่ายคนบางพวกยุยกแยงในแคงแสให้เขาอิวาสกันอย่างนี้เป็นคนไม่ดีเมื่อพวกข้าพระพุทธเจ้าอยู่ในอาวายของพระองค์จึงได้รับ ที่ประสมบัติคือเป็นพระพิณเป็น เ, นเนทว ด, ดาบรรดาพวกข้าพเจ้าทั้งหลายอยากใจเห็นพระองค์ขอท่านขอเทพเจ้าผู้เป็นพระราชาคือพรอินทร์ได้โปรดเชิญพระเจ้าในมีราชตระหงกษัตริย์มาที่เทวสถานนี้ได้เถิดพเจ้าคณาหมายความว่าความดีขเขาไม่จ้าในมีราชเนี่ย บรรดาเทวดาทั้งหลายอยากจะให้พระอินทร์ไปเชิญท่านขึ้นมาบนสวรรค์เช่นดวาวเดืงสเทวโลกนี่น้มปู่อ่านตามบาลีก็่อยขัดไปหน่อยนะจ๊ะจะไม่อ่านซะเลยก็แหมปรนเดี๋ยวก็อยาหาว่าแท้ามีมานปลอมซะอีกเป็นว่าเท่าสหัสนยัยพระอินทร์นี่มีชื่อหลายชื่อนะลูกและลูกหลานที่รักเ ท, ท่าสหเสนัยเทวราชก็คือพระอินทร์นั่นแหละ รับคำแล้วจะมีเทวรบัญชาให้มาตาลีเทพสารถีหมายความว่าคนขับรถของพระอินทร์นะชื่อว่ามาตาลีภาษาบาลีว่ามาเรียกว่ามาตาลีเทพสารถีสารถีคือคนขับรถว่าเธอจงเทียมเวทยันดารเจรถรถประจําตําแหน่งของพระองค์ไปกรุงมิถิลาเชิญพระราชาคือพระเจ้าเนมีราช ขึ้นรถทิพแลวเสด็จมาสถานที่นี้เห็นไหมลูกหลานที่รักคนดีนี่เทวันดา ย, ยังเคารพสามารถจะไปเที่ยวเมืองเทวันดาเขายัางได้ไม่ไปเองเขาก็เชิญให้ไปที่น่ารักนั้นจะ๊ะนั่นขอลูกหลานที่รักทุกคนจงปฏิบัติตนอย่างพระเจ้าในมีราช ถึงแม่จะรักษาอโสมสดไม่ได้ก็รู้จักการให้ทานรู้จักการสรงะห์สิ่งกันเองกันเป็นเครื่องผูกใจในความรักสิ่งกันเองกันไม่ากข่มเหงกันอย่าทะเลาะกันอย่าตีกันอย่าประทุสร้ายกันอย่าลักอย่าขโมยอย่ายื้อแย่งทรัพย์สินอย่าคุยกงทรัพย์สินของใครอย่าแย่งความรักของเขาคนรักของเขาอย่าพูดโกหกมัเท็ อย่าพูดคำหยาบพูดวาจาที่อ่อนหวานอย่ายุยง แ, แ, แต่แข่งแสเขาแตกแ้วกันใช้วาจาแต่ทิงที่เป็นประโยชน์อย่างนี้เป็นคนดีอย่างน้อยที่สุดลูกหลานที่รักก็เป็นเทวดาได้อย่างกับเหมือนกับปริวัยข้าพระเจ้าในมิราชแล้วก็ในก่อนที่จะาตายลูกหลานทุกคนจะเป็นที่รักของคนทุกคน หมายความทุกคนที่เห็นลูกหลานปฏิบัติอย่างนี้แล้วจะไม่เป็นที่รังเกียจของใครเลยจะไปที่ไหนก็มีคนประคับประคองอุ้มชูเว้นไว้แต่คนเลวทั้งหลายเท่านั้นที่เขาจะไม่เห็นด้วยแต่ว่าคนเลวๆถึงแม้ว่าเราดีเขาว่าเลวไม่ไหวเหมือนกันถ้าทนความดีของเราไม่ได้เขาก็ต้องรักตัวเขาเลวแต่ว่าเขาต้องการคนดีเรามาคุยกันต่อไป ไปมาตาลีเทพประบุไรรับพระเจองค์การของพระอินท์แล้วก็เทียมเทพประร ถ, รถเทวดาขับไปแต่วันนั้นบังเอิญเป็นวันพระจันทร์วันเพ็ญเป็นวันกลางเดือนพอดีพระเจ้าในมีราชทรงสมาทานโสสุโสทศีลน นี่ก็ทรงประทับนั่งอยู่ที่พระตำหนักคือที่อยู่ในะพระตำหนักนะ่ะแระตำหนักเขาบ้านเองแหละมีหมู่อมัดข้าราชบริพารแวดร้อมคือบรรดาอมาัดทั้งหมดก็สลักนั่สมาทานุโสถเหมือนกันก็รักษาศีลนุโสถเวทยันราชรถได้ปรากฏบนท้องฟ้าพร้อมกับพระจันทร์วันเพน็ง คือรถของเทวดาบ้านเทวดาที่ในวิมานนะอง์เทวดานี้ก็มีแสงสว่างบรรดาประชาชนั้หลายต่างพากันพิศวงสงสัยมองไปบนท้องฟ้าต่างคนต่างกระจใจกันว่านี่นาสจันนะวันนี้พระจันทร์ขึ้นทั้งสองดวงขณะที่โจทย์ใจกันนั้นนั่นเองแล้วก็มองไปดูอย่างพิศวงสงสัยว่าเอ๊ะ พระจันทร์นั่นทําไมดวงอีกดวงหนึ่งอยู่เฉยๆที่ดวงหนึ่งค่อยๆเคลื่อนไปที่ดน้อยดันน้อยถ้าเวลานี้ดีไม่ดีก็คิดว่าดาวเทียมออกมาเห็นห่างกันจนชัดเจนในที่สุดเข้ามาใกล้เห็นชัดว่าเอ้ยน่นไม่ใช่นี่ไม่ใช่พระจันทร์กลายเป็นรถน่ะรถทิดหายจนก็ส่งเสียงก็นฟ้องกันว่ารถพระเจ้าข่ารถ รถวิ่งในอ า, ากาศไม่ใช่พระจันดอกพระเจ้าค่ะแล้วก็พากันพูดกันต่อไปว่าเอ๊นี่รถคันนี้นี่จะมารับใครกันนะรถลอยบนอากาศวิ่งบนอากาศเราไม่เคยเห็นเขาจะมารับใครกันดีไม่ดีเว้นวันนี้ไม่ต้องตีตัว๋วได้นั่งรถเทวดาก็เล่นบกโกุกรถประเภทนี้หายยากมีแต่เรือเหาะรถเหาะไม่เคยเห็น ตอนนัน้นแอบมีรถหอะมาก็ดีใจกันแล้วมองไปเห็นรถมีม้าเทียมเป็นจำนวนตั้งพันตัวโอ้โหรถมีใหญ่จังน่ากลัวนะครคิดกันน่ากลัวจะมารับพระราชาของเราแนะ่เพราะว่าพระองค์เป็นผู้ทรงธรรมเป็นพระราชาที่ทรงธรรม มีความดีจงกระทั่งบ้านเมืองเขาเรานี้ไม่มีขโมยโจรคุกตารางไม่ต้องสร้างเป็นนั้นว่าเจ้าหน้าที่ก็มีไม่มากเพราะว่าไม่ต้องควบคุมอะไรกันมากเป็นเพียงเจ้ามีเจ้าหน้าที่ไว้ส่งข่าวโดยเฉพาะเท่านั้นว่าวันนี้พระราชาประกาศให้รักษาโมสดทุกคนก็รักษาโมสดถ้าพระราชาสั่งให้ทุกคนรักษาทิ้นห้าทุกคนก็รักษาทิ้นห้า ฮกตะรานกันเลยไม่ต้องมีกันเลิกตั้งโรต้าหารไม่มีถ้าเราที่จะรกกัน <c oughs> ตุลาการพิภาษาก็ไม่มีมีไว้ทําไมมีไว้ก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีใครก็ทําผิกดกฎหมายอน <c oughs> บ้านเมืองที่ไม่คนไม่มีคนทําผิกดกฎหมายบ้นเป็นบ้านเมืองที่มีถต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความสุข นี่เขาว่าอะไรคิดว่ารถนี้ต้องมารับพระราชาของเราพระอินทก็คงจะเลื่อมใสในพระราชาของเราเพราะว่าเคยเสด็จมาจึงได้ส่งรถทิพมารับเขาคิดว่าเขาก็บอกว่านี่เป็นการสมโภชจริงๆนะถ้าพระอินทร์ส่งรถมารับพระราชาของเรานี่เป็นการดีจริงๆเราชอบใจ ความจริงพระราชาของเรานี่ดีมากแม้พระ อ, อินยังนับถือเลยนะ่นเาคุยกันคนที่มีอาจารย์ดีสักอย่างมันก็หมดเรื่องตัวเองก็พอดีไปด้วยท่านบอกว่าการอยู่ใกล้คนเช่นใดย่อมเหมือนคนเช่นนั้นแต่ไม่แน่นักนะอย่างเทวทัตอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าดีแต่เทวทัตเลวขึ้นชีอว่าสัญญาณคนเลวจะสอนอยังไงมันก็ดีไม่ได้ <c oughs> ถ้าไม่อย่างนั้นนรกมันก็จะ ว, ว่างสมหมดเมื่อบัรดารมหาชนสนทนากันอยู่ท่านมาตะลีเทพประบุตก็ขับรถแล่นมาจอดตรงพรณีประตูพระบัญชรพระบัญชร น, นี่แปลว่านาต่างแล้วก็กราบทูลพระเจ้านี้มีรัสว่าข้าแต่พระราชาผู้ประเสริฐขอพระองค์สเสด็จประทับบนเทพรถนิเธอไปเจ้าค่ะ บรรดาเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงที่เป็นลูกศิษย์พระองค์มีความประสงค์ปรารถนาจะให้รับพระองค์สเสด็จไปบรรดาวดึงและต่างระลึกถึงคุณของพระองค์ที่ทําให้เขาได้เกิดเป็นเทวดาและเกิดบนสวรรค์เวลานี้ประชุมคอยเฝ้าพร้อมกันอยู่ที่สุธรรมสภ า, ภาและเทวสภ า, ภาพระเจ้าค่า สุธรรมสภาหมายความนานสุธรรมสุธรรมเป็นคนสร้างสร้างสันลาไว้ข้างล่างแต่กว่าไปปรากฏบนสวรรค์เนาเล่าต่อไปเดี๋ยวจะไม่เข้าจุดหรือวักหนึ่งไม่ลาเลยอีกนาทีครึ่งพระเจ้าในมีลาได้สดับดังนั้นจึงได้รำพึงว่าถ้าเราถ้าเราเอ่าขอโทษ เรายังไม่เคยเห็นทเทวโลกเลยนีิเทวานาเป็นยังไงไม่เคยเห็นเราจะต้องรับคําเชิญเขามาตาลีเทพบุตรจึงมีพระราชดำรัสตัดว่าท่านมาตาลีเทพบุตรเขาว่าเจ้ายินดีที่จะไปเทวโลกกับท่านก่อนจะสันเดชนี้ตรัสประชุมบรรดาข้าใหญการทั้งหมดและมหาชนที่หน้าพรลานได้ตัดว่าท่านเทั้งหลาย บัดนี้เทวรรดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงที่เป็นเพื่อนของท่านตายไปก่อนแล้วประสงค์จะเห็นเราเพราะเขาได้รึกถึงบุญคุณของเราที่เราทำให้เขาได้ขึ้นไปเป็นเทวดาบนสวรรค์เฮอินเนื่องทรงจัดรถมารับเราเราจะไปนั่นก็จะไปไม่นานนักท่านนันลาจุอยาได้ประม า, าทผู้สาทาบุญรักษาศีลให้ทานเถิด เมื่อทรงประทานโอวาทแล้วก็เสด็จประทับบนเวทยันดารเ จ, จรถวันนี้ก็ขึ้นรถพอดีรถยังไม่ได้ถอยเวลามันก็หมดไปวันก่อนพอเข้ามาถึงเรือสีเข้ามาถึงประตูวังก็หมดเวลาวันนี้พอแท่งขึ้นรถถึงเวลาเทวเทวดาเวลาก็หมด แะ่นั้นสำหรับวันนี้ก็ของดไว้แต่เพียงเห่านี้ก็ต้องขอลาลูกหลานที่รักและบรรดาญาโยมพู้ดบริษัทที่รับฟังขอทุกท่านจะประสบใยความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์พูน ผ, ผลจะมีความปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาโจมทุกประการสวัสดี